การและเป็นการส่งเสริมเทศน์ฟังธรรมและเป็นการ ให้มาเจริญพระพุทธมนต์ในวันพรุ่ง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นมวยแทนสาธุกับญาติโยม วัดอโศการามซึ่งมีในจัดงานเดชพระคุณมหากุศลอันยิ่งเป 22 เป็นต้นมาต้นมาเป 7 งาน จะดําเนินต่อไปอีกถึง 30 ทั้งหมด 9 วันไม่ใช่ธรรมดาเป็น รถเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เพราะว่าเจ้าฟ้าหญิงเสด็จต้องเอาธรรมทโร เป็นผู้ริเริ่มเป็นองค์ประถมผู้ก่อสร้างสถานที่บําเพ็ญ อ่าพวกเราท่านพระองค์รับรองหลายบำเพ็ญบุญเพราะบุญส่งธานังเสริมอุด เราท่านทั้งหลายจึงได้มาเกิดใน มีสะดวกสบายใช้ไม่สอยสะดวกสบายแต่เพราะความประมาทๆถ้า ไปหาเติมใช้ไปใช้ไปมันก็หมดอันนี้บุญก็เหมือนองค์ครูวันและๆมาท่านพาดําเนินพาพวกเรา พวกเราก็อยู่ณสถาน 22 เป็นต้นมาได้ซึ่ง พระมหาเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์นมัสแสดงมาชี้แนะมา ถ้าไม่ชําระไม่ทําความสะอาดต้องอาศัยน้ํายาอาศัยอะไรหลายๆอย่างมาช่วยขัดช่วยเกลาของใช้อย่างทองเหลือง ความแวววาวความผ่องใสจึงจะทรงประกายๆอารมณ์เสียงกระทบทางจมูกถ้าขาด เก็บไว้ที่ใจมีอะไรก็เก็บไว้ที่ ถ้าไม่อาศัยพระสัทธรรมคําสอนมากขัดรักษาจิตใจก็จะมืดมนต์มืดมนต์อนตการเพราะ ก็ไม่ชีวิตวัดก็ไม่รู้จักรู้จักอยู่แต่เรารู้จักไปไหว้ฟังเทศน์ เออฟังไปทําไมอืมดีแล้วก็รู้ไม่ดีแล้วเนี่ยเกิดความประมาทอืมพระ พิจารณาท่านว่าโอปนยิโกน้อมเข้าไปหาธรรมของเราน้อมกายของเราน้อม เป็นเครื่องรักษารักษาความมืดที่กิเลสจะ ชีวิตของเราก็จะมีที่พึ่งพาอาศัย ญาณเอ่อหลวงตามหาบัวธรรมเทศน์เอ่อบางคนไปตัดเพราะอะไรถึง อยู่ในสายปฏิบัติในสายปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นบัญจุ ธาตุของพระองค์ของท่านแต่ละเพราะท่านธรรมจริงประพฤติจริงปฏิบัติจริงอย่าไปตัดเรายังทําไม่ได้เรายังประพฤติไม่ได้กับไปตัดของท่าน ยังมียังเห็นอยู่เกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องนึกก่อนแต่วันนี้ก่อนแต่ปีนี้ย้อน สภาพร่างกายร่างกายสังขารไม่เป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เพราะเห็นประจักษ์ชัดเจนอยู่ที่ตัวเราเมื่อใดเวลาใดจิตใจขุ่นมัวจิตใจฟุ้ง เลยมันอึดอัดขัดเคืองไปหมดไม่สบายจิตใจก็ไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่า มันไม่เป็นอย่างที่เราจะว่าจิตใจมันก็เลยๆยันยาทําไมฟันมันค่อยหายไปอ่ะบาง ของดีๆจะมารักษายาสีฟันทําไมมันปวดนะทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้องค์สมเด็จพระ ชาววัดชาววาก็กระสวดเป็นประจำสวดแล้วต้องน้อมนำอภิปิจฉาดูเจ้าของนี่ดูเจ้าของยังไม่ชัดเจนก็ลองดูคนอื่นบ้างรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นยังไงความแก่เป็นยังไงความชราเป็นยังไงเวลาคนตายคนอื่นตายก็เออตายแล้ว ไปมาหาสูตายแล้วอันนี้คนไกลนะพอใกล้เขามาเป็นยาเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้เนื้อเชื่อใจฝากผีฝากไข้มาตายเขาจิตใจเป็นอีกอย่างนึงนะยาใกล้คิดของเราอีกเป็นพ่อเป็นแม่อีกยิ่งไปกันใหญ่ทำใจไม่ได้นะไม่รู้จะทำยัง เข้าตาจนฝุ่นละอองเข้าตามองไม่เห็นเนี่ยนี่ทั้งๆท่านพาเราท่านทั้งหลายสวดพระองค์สอน ขึ้นเวทีใครจะชนะคือรู้เท่าทันจะแพ้หรือจะสมอมเสมอสมอมเสมออย่างดีนะเรื่อยๆอ่านหนังสือธรรมะธัมโม ทำใจให้ได้อุบายวิธีทั้งหลายทั้งโกที่ ในหลักสัจธรรมเชื่อบุญเชื่อบานรกๆอุบายวิธีต่างๆที่เรา มีทุนมาแต่เดิมดังที่อาตมาได้ว่าไว้เบื้องแรก บิดาและดำเนินต้องทําต้องรีบทําด้วยต้องมีชั่วมีแต่ดีดีคุ้มครองเราจะผ่านวัน ไม่มีนายประกันไม่ที่รังยังยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนบุญรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีธรรมเป็นเครื่อง การสั่งสมบุญการทำบุญเป็นอุบายเป็นวิธีเป็นหนทางที่จะนำพาพวกเราท่านทั้งหลาย ท่านบอกไว้คิดจะทําความดีต้องทําให้รีบทําและให้ๆทําเนืองๆอย่าปล่อยโอกาสช่องว่างเวลาถ้ามีโอกาสเออวัดสโสการามท่านกําหนด บางทีมาไม่ได้ทีมาไม่ได้หรือบางทีอยู่ไม่ถึงวันสุด อาศัยบุญรักษาชีวิตของเราจะได้ประสบแต่ความสุขทั้งภพ เออว่าอย่างงั้นแหละพระก็เทศน์ไปอย่างงั้นแหละไม่จริงหรอกเออเผลอเมาสุราสนุกเฮฮาเพลิด เกิดมาตั้งทีก็หาความสนุกสนานในตนเองเดี๋ยว ให้ divided sich auf ihn mit soren und so mult岑. Es radianteâm opticalы und dann in den maislen Wir müssen kisschen dir probieren, weil wir sich zu beschleunigen attachment mit mir und sich als manễcionalittern Manual. Das dafür kann Excellent aber auch nur noch eine推lle unserer Kultur wegzus heaven der Art und erleden sich, 小boy der W остuta an ihn. ปวดแข้งปวดขารับหูรับตาพุทโธธัมโมสังโฆว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยว่า เรเราก็สบายก็สบายสิ่งที่สําคัญของเราก็จิตกายกายกับใจนี่จิตใจนี่แหละกายใจ 2 อยากจะเดินไปในที่ไม่ควรจะเดินมันนึกไปขาน่ะสติมันมีบอกอย่าไปนะที่ตรงนั้น ถือนอยู่เรื่อยๆสติก็จะแก่ขึ้นกล้าขึ้นจิตใจของเรา ฟังทร ska ม ida มม o a n a n g a n a ม but t artificial ทมม o s things pose สร้มฐานให้จิตใจของเราเพ הז é a loge r birvar a l a a ม o เรายow a n a aim ที่ก็จะมา 기� มก็ alreadyication ま 겁니다 principles ท ville x d t a สรุปเป็นภราษาสั่น ที่เราท่านทั้งหลายได้ยินบ่อยๆก็คือว่าบุญเราเนี่ยทําที่กายกับใจและบาป อ่ามีคนบาปเข้ามาแทรกนั่งอยู่ไม่สบายเอาเหล้ามาความสงบร่มเย็นความเรียบ อันนี้ให้พิจารณาเป็นเรื่องเตือนมันเดือดร้อนกันเพราะๆสื่อๆเพราะขาดศีลขาดธรรมเป็นฟืนเป็นไฟเอาฟืน มาเป็นเครื่องดับโรคโรดลงที่ภาษาพระท่านว่าไฟราคะกิโทสะกิโมหะที่ ทำใจของเราให้สุขสงบร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคต ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โรคภัยอุปสรรคอุปัตตะ จงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณพุทธานุสสติสมบัติธรรมานุสสติสมบัติและเจริญในพระธรรมคํา Sambé Purentu Sanggapa, Jando Panarachoyata, Manichonjirachoyata, Sambé Tiyo Viwajjantu Samparogo Vinatstumate, Pawatwantarayo Sukhidikayoko Pawa, Apiwa Danga Silisani Chang, Bhutta a Dũng Văn đồ, Khang, Bác Lạc là...